กับนมาสการหลวงปู่เทียนหลวงพ่อคำเขียนหลวงตากรมอาจารย์ยุกิอาจารย์นรงวิทย์อาจารย์วัฒนาชัยอาจารย์สุรินและพระพันเตทุกท่านและกับและขอสวัสดีแม่ชีและญาติธรรมนักปฏิบัติทุกท่านครับก็วันนี้ได้มีโอกาส มาอย่าเรียกว่าแสดงธรรมนะครับก็เป็นการแชร์คือผมเป็นพระใหม่นะครับใหม่ใหม่มากไม่ได้มาพร้อมในพรรษาผมมาช่วงกลางกลางพรรษาช่วงวันที่20กันยาครับก็คือที่มาวันนี้นะครับก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับ นักปฏิบัติธรรมแล้วก็เพื่อนๆ พ, พิสุแล้วก็หลายคนนะครับเพราะว่าคือผมนี่เป็นประเภทที่อยู่ในความคิดมาตลอดอยู่กับความคิดมาแล้วก็เป็นทุกข์มานะครับก็เริ่มก่อนอื่นนะครับก็อาจจะแชร์เริ่มต้นก่อนประสบการณ์ชีวิตก่อนที่เข้ามาบวชนะครับ ผมในวงการนี่เขาจะเรียกว่าไถ่ดาวดินนะครับอยู่เรียนอยู่นิสสานมาหลายขอนแก่นครับ อ, อยู่กลุ่มดาวดินก็ชื่อเต็มเตมก็คือกลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมนะครับก่อนนั้นผมก็เป็นเป็นวัยรุ่นทั่วไปครับก็มาเรียนมาเรียนมหาลัยแล้วก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปเรียนทเที่ยวก็สนุกสนานเฮฮา ก็จนมีโอกาสครั้งหนึ่งครับมีโอกาสครั้งหนึ่งครับพี่ๆเขาชวนไปพี่คณะนิติศาสตร์เขาชวนไ ป, นน ไ, ปไปอุดรลงไปเห็นาชาวบ้านเขาสู้เรื่องคัดค้านการขุดเจาะการสร้างโปแตะนะครับก็คือเป็นเป็นเกลือที่มีความเค็มกว่าเกลือปกติพันเท่า นะครับก็จะเป็นการเป็นการเจาะลงไปแล้วก็ทําทําเสาเกลือคั้มคั้มดินไว้นะครับข้างล่างก็จะเป็นโพรงแล้วก็จะเอาเอาโพแทสเซียมนี้ขึ้นมาเป็นสารตั้งต้นของทําหลอดไฟทําปุ๋ยทำอะไรหลายหลายอย่างนะครับก็เป็นบริษัทของเอเชียแปซิฟิกครับของเมกาที่มาสัมปทานก็ไปแบบไม่รู้เรื่องเลยครับไปแบบเมาเมาตอนนั้นตอนนั้นก็ดื่มนะครับก็ไปแบบเมาเมาไปแหบงบๆไปก็ เขาทั้งนั้นมันเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับเป็นเวที EHA นะครับเป็นการรับฟังความคิดเห็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ EHA i ก็คือเป็นการรับฟังความคิดเห็นผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพครับแต่ว่าในความคือก่อนอื่นนะนะผมที่เรียนเรียนกฎหมายนี่ผมเชื่อเลยว่ากฎหมายคือความยุติธรรมหมายถึงว่า ไอตัวกฎหมายนี่แหละเป็นเป็นเครื่องมือเป็นคือความยุติธรรมแต่พอได้ไปเห็นมันกับเป็นคนละอย่างก็ชาวบ้านที่ไปนะก็คอือชื่อกลุ่มอนุรักษ์สิงแวดล้อมอุดรธานีนะครับก็ไปคือเขาเขาปกป้องเขาสู้กับตอนนั้นนี่ประมาณ10ปีครับเขาสู้กันมากับบริษัทเอเชียเปซิ์ฟิกมาก็วันนั้นเขาจัดเวทีรับฟังเขาไปเห็นพวกผมก็ได้รับบทบาทในการล้มเวที ผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะก็ไปลม้มปรากฏว่าพอไปถึงสารากางนี่แหละโหตำรวจก็ตีชาวบ้านเลยผมก็งงชาวบ้านก็ลม้มลงหัวโนงงผมก็ทำหน้าที่ผมก็คือไปยึดเวทีเพื่อไม่ให้เขาจัดเวทีได้คือตามกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยถ้าเขาจัดเวทีได้ปึ๊บกระบวนการก็ผ่านหมดผ่านสานักงาน สอพอผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติคือหน่วยงานของรัฐนี่มีทงอยู่แล้วก็คือว่าให้ให้ผ่านอยู่แล้วนะครับนี่คือระบบระบบของราชการไทยหรือว่าระบบการทาการทาขุดเจาะการทำเขาเรียกว่าอะไรการพัฒนาในภาษาของรัฐนะครับเขาใช้คาว่าการพัฒนาผมก็งงและผมก็ไม่ได้รู้จักชาวบ้านที่นั่นด้วยผมก็ไปแบบไม่รู้เรื่องก็คล้องแขนกันยึดเวทีเลยยึดหม่ เก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ทุกอย่างไม่ให้เขาจัดได้ก็ก็คล้องแข่งกันอยู่ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งมาป้อนข้าวเฮ้ยตกใจเลยเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมมาป้อนข้าวเราเราก็ไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักเรามันมีความอะไรบางอย่างที่ผมแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมาเป็นอย่างนี้ได้มันทำไมงดงามอะไรอย่างนี้ทั้งที่เราก็เป็นคนที่แบบเจเล ขี่ดื้ขี่มืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนไปปรากฏว่าล้มเวทีเสร็จปุ๊บบริษัทนีย้ายไปจัดที่อื่นเราก็ไปขวางอีกไปนอนขวางชาวบ้านก็เอาล่มมากลางเอาอะไรมากลางเฮ้ยเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือตั้งคาถามแค่ว่ากลุ่มคนนึงแค่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติกับอีกกลุ่มคนนึงไม่กี่คนที่จะมาเอาทรัพยากรไปคือของผมก็เป็นคล้ายๆสไตล์ อนุรักษ์ทรัพยากรนะครับแต่ว่าเป็นการสู้กับทุนนิยมที่เข้ามาทําลายทรัพยากรนะครับก็ตอนนั้นก็เริ่มศึกษาแล้วเริ่มศึกษาแล้วโปรตสคืออะไรวิธีการคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงเริ่มมีความคิดแล้วเริ่มเริ่มศึกษาแนวคิดทางการเมืองเริ่มศึกษาอะไรก็เลยก็เป็นคนที่อยู่กับความคิดมาโดยตลอดก็ ค, คือคิดว่าโลกสังคมวันนี้มันมันหลอกลวงเราหรือว่าไอ ปณิธานแรกที่บอกว่ากฎหมายคือความยุติธรรมมันก็ได้หายไปจากชีวิตของผมผมก็ตั้งคําถามกับความยุติธรรมว่าความยุติธรรมคืออะไรก็มาเรื่อยๆอครับจนไปอีกครั้งหนึ่งไปสู้กับกฟผมันเป็นการที่เขาเอาเสาไฟฟ้าแรงสูง500 kv มาตั้งทับที่ชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เอาไปขยับได้ไหมที่นาชั้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ชูแล้วทำนู่นว่ามันมีสิทธิหน้าที่ตอนนั้นผมก็เริ่มพอเริ่มรู้เรื่องราวเหล่านี้และนิดหน่อยครั้งแรกเลยปีห้าสี่ครับผมก็ไปกับชาวบ้านแล้วก็กอผอนายเขาก็เลยสั่งให้เอาแมคโรมาไปขุดเจ้าของที่ก็เลยไปขวางเลยนอนขวางเลยโดยที่ไม่สนใจชีวิตนะเขาจะปกป้องที่นาเขาเฮ้ย เราก็เลยไปช่วยเขาก็เลยลงไปกับเขาไปขวางเขาเนี่ยช็อตนั้นนี่โดนโดนจับไปโดนจับตั้งแต่ปีสองครับก็เฮ้ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยคือมุมมองแรกที่เราเห็นแล้วก็กับอันที่สองที่เราไปแล้วเราโดนจับเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ถูกกระทํารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วทาไมสังคมมันเป็นอย่างนี้ก็ตอนนั้นก็เลยตั้งปณิธานเลยว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้ สังคมมันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเราตั้งปรรทิฐนว่าลมหายใจนี้เพื่อชาวบ้านก็ยาวเลยครับทีนี้ห้าหปีที่ผมอยู่กับกระบวนการภาคประชาชนในการต่อสู้ก็มันเป็นการสู้เรื่องความคิดนะครับเช่นพื้นที่10ไร่มุมมองของชาวบ้านมุมมองของคนทั่วไปก็จะมองว่าเฮ้ สิไร่นี้เนี่ยใช้ได้ยาวถึงรูกถึงหลานทํำทําไร่ทําททนาทําสวนทํานูน่นทํานี่ไปแต่วิธีคิดของทุนก็มองว่าเฮ้ยที่สิบไร่นี้ใช้ประโยชน์ได้เท่าไหร่สูงสุดทําประโยชน์ให้มันสูงสุดก็คือมองเนื้อที่นี้ต่างกันมุมมองวิธีคิดต่างกันแล้วผมก็ไปสัมผัสเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ชาวบ้านคิดที่ชาวบ้านเชื่อน่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ทําไมเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งทา ง, งกฎหมายทั้งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐอะไรเหล่านี้มันก็เลยก็อยู่กับความคิดมาโดยตลอ ด, ด, ด, ดคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําเนี่ยมันถูกต้องนะชาวบ้านถูกต้องก็แต่ว่าไม่เคยได้รับความเป็นธรรมหรือว่าไม่เคยชนะมาเลยนะครับที่สู้มา6ปีมานี้ก็เจ็บปวดรวดร้าวมันมันเป็นการตอกย้ําความคิดเราครับว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดอย่างนี้มันมันถูกแล้วเราก็ทํา คือผมตอนนั้นผมก็คิดว่าถ้ามนุษย์เราไม่มีความฝันก็คือมนุษย์ที่ตายแล้วก็เลยมีความฝันกับเพื่อนๆในกลุ่มดาวดินแหละว่าเฮ้ยเรามีความฝันอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมทำให้สังคมมันมันดีขึ้นมากกว่านี้ทาให้สังคมมันทําให้โอกาสของทุกชีวิตได้มีเช่นอากาศที่ดีคือบางที่ไม่มีโอกาสที่ดีแบบ น, นี้นะครับ คือใช้น้ำฝนไม่ได้เพราะว่ามีสารไซยาไนมีสารสารพิษมีหาปลาไม่ได้ใ น, ในทุ่งนาเนีน่ก็มีสารไซยาไนสารโลหะหนักคือมันก็เลยแบบอยากอยากจะให้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยหรือว่าคนที่นั่นได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีมีอากาศที่ดีมีน้ําที่ดีเหมือนคนอื่นเขาคือ ผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นสักที่บนประเทศนี้ได้เนี่ยสักวันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นที่บ้านของผมได้เหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างก็เนี่ยครับทุ่มเททุกอย่างกับสิ่งนี้ก็เรื่องเรียนก็ไม่ได้สนใจไม่เข้าเรียนเลยไม่ได้อะไรเลยก็ไปลุยกับชาวบ้านไปทั้งเมืองแรกทองคาที่จังหวัดเลยก็ไปอบรมกฎหมายชาวบ้านให้ชาวบ้านรู้จักสิทธิของชาวบ้านสู้ ก็อยู่กับความคิดนี่แหละกฎหมายเอากฎหมายมาสู้เอาสิทธิชุมชนมาสู้เอากระบวนการสันติวิธีมาสู้ก็คือผมมีโอกาสนะครับคือชาวบ้านเขาติดการผลิตเนาะก็คือว่าเตินมาต้องทําไร่ทําทนาทําทนูา่ทนทํานี่หากินเลี้ยงครอบครัวเขาไม่ได้มีเวลาศึกษาศึกษาอะไรพวกนี้เราก็ไปถ่ายทอดให้เขาไปชวนเขาคิดก็ทํามาเรื่อยๆครับก็แล้วก็ทํางานกับนักศึกษาก็คือ เปลี่ยนแปลงความคิดของเขาเปลี่ยนแปลงยังไงก็คือให้เขาได้เห็นสังคมความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งนะครับคืออย่างเวลาที่เราบอกว่าเรื่องการพัฒนาประเทศเราจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องมีนู้นมีนี่ทั้งที่จริงเนี่ยมันเพียงพอสําหรับทุกคนอยู่แล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เขาอ้างเป็นสิ่งที่สวยหรูเพื่อที่จะมาป้อนให้กับระบบทุนนิยมหรือว่าโลกาภิวัตน์ที่มันกําลังเข้ามา ทั้งเรื่องการศึกษาผมก็สู้นะครับเรื่องมหาลัยขนอกระบบก็ตอนนั้นรวมได้สิบสี่มหาลัยก็สู้ก็ขับเคลื่อนกันมาก็หยุดได้มันก็อยู่กับความคิดอย่างเงี้ยชีวิตอยู่กับการต่อสู้อยู่กับการเคลื่อนไหวก็เป็นคนอารมณ์รุนแรงนะครับก็เวลาเจอตำรวจก็จะปะทะกันก็จะสู้กันด่ากันอะไรอย่างงี้ก็มาตลอดมันก็มันไม่ไปถึงฝันทั้งทีมันก็เลยเริ่มท้อแล้วเริ่มท้อหลัง เริ่มท้อจนมาจนมารับประหารย2ิบสองพฤษภาคมเนี่ยครับผมก็เฮ้ยช่วงนั้นผมคือแบบฟิลขาดเลยแบบเฮ้ยในยุค ข, ของเราเนี่ยทำไมเกิดการรับประหารได้อะไรเงี้ยก็ยิ่งมันมันขัดแย้งกับความคิดมากนะครับในเรื่องของการรับประหารผมก็เลยค้ารับปาหารซะช่วงนั้นปุ๊บโดนตอนแรกก็ไปพ่นสีพ่นนู่นพ่นนี่คือทาทุกอย่างที่ทาได้ ค้านทุกอย่างนี้ค้านได้ก็ค้านพ้นสีปุ๊บไปโดนจับในกล้องวงจรปิดปุ๊บเขาก็เลยเรียกไปเจาจาก็ไม่ไปปุ๊บดอกสองประยุทธ์มาขอนแก่นหัวผมแค้นมากเลยตอนนั้นมันอยู่กับความโกรธอยู่กับความคิดตลอดแล้วมันทุกข์นะมันทุกข์แบบคือมันไม่เป็นสิ่งที่เราคิดเราเชื่อเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกต้องมันดีจตายทําไม เฮ้ยทำไมคุณไม่ยอมรับฟังพวกเราบ้างเลยเราปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเฮ้ยมันดีจะตายแล้วทำไมคุณไม่ยอมเชื่อเราเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยอมไม่ได้ละก็เลยเอาเลยครับวางแผนอย่างดีเปร๊บผมชอบดูหนังครับก็เลยเรียนแบบหนังวางแผนนู่นนี่นั่นมีการปลอมตัวใส่ชุดนู่นนี่นั่นเข้าไปเป๊บชูสามนิ้วต่อหน้าประยุทธ์ป๊บ เสร็จโดนจับก็คิดว่าสิ่งที่เราทําถูกต้องมาโดยตลอดก็คิดว่าสิ่งที่เราทํามันจะส่งผลสะเทือนให้ให้จิตสำนึกของคนในสังคมเนี่ยได้ได้หันกลับมาตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้บ้างอะไรเหล่านี้แต่มันก็ผิดหวังอีกก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรขึ้นมาเลยก็มีลุกฮือสักนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็หนี หนีเลย3มเดือนหนีใช้ชีวิตหนีโหช่วงนั้นแบบทุกข์มากครับไม่ได้ทำอะไรเลยเล่นเฟซก็ไม่ได้หายหายไปเลยหายไปจากสังคมหายไปเลยหนีมันก็โหทุกอย่างเดียวผมจนมาล่าสุดเนี่ยก็ไปไปอีกที่กรุงเทพนะครับก็ก็โดนก็คือขาหาพวกเพิ่มมากขึ้น ธรรมศาสตร์นู่นนี่นั่นไปเดินสายผมไปเดินสายทั้งเหนือใต้ไปภาคเหนือภาคใต้คุยกับกลุ่มนักศึกษาต่างๆแล้วคิดว่าเฮ้ยเราได้แน่นอนรอบนี้สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังโดนจับสิบสองวันออกมาก็ไม่ได้เกิดอะไรเลยผมตอนนี้ก็ยังมีหมา ย, ยานะครับโดนโดนหมายที่ขอนแก่นฝ่าฝืนคําสั่งคอสชอแล้วก็โดนที่สามทับสองห้าเจ็ดแล้วก็ ฝ่าฝืนคำสั่งคอสททที่7ทับสอแล้วก็โดน116เป็นภัยต่อความมั่นคงยุโยงปลุกปั่นให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องเป็นภยัยต่อรัฐบาลอะไรพวกนี้ก็โดนก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรทีนี้มันก็เลยรู้สึกชีวิตโหทำอะไรไม่ได้เลยทุกมากก็เลยได้เข้ามาบวชคือที่จริงผมรู้จักวัด ป่าสุขโตนานแล้วแล้วก็วางแผนชีวิตว่าเรียนจบแล้วก็จะบวชแต่คือพอมันผิดหวังเราคาดหวังมากๆแล้วเราผิดหวังมันทุกข์มากก็เลยเป็นช่วงที่ว่าต้องดรอปเรียนด้วยช่วงนี้เพราะว่าวิชาเรียนไม่เปิดก็คือสุดท้ายก็เลยได้เข้ามาทบทวนตัวเองกลับมาเยียวยาแผลใจคือที่ผมแชร์ที่เล่ามาเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของการที่อยู่กับ ความคิดความเชื่อแล้วก็อยู่กับการต่อสู้อะไรเหล่านี้มาซึ่งพอผมเข้ามาอยู่ที่วัดป่าสุโกโตผมก็งงมากเลยเฮ้ย น, น, นั่งทําอะไรกันทํามือผมมาใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เข้าคอร์สไม่ได้อะไรกับเขาเลยก็ไม่รู้จนได้ไปได้ไปเรียนกรรมฐานกับอาจารย์มน้าชัยก็เริ่มรู้แล้วว่าที่เขาทําคือสิบสี่จังหวะอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังยังมีความคิด อะไรข้างนอกเยอะแยะมากคือคือผมนี่คิดว่าไม่ผมคิดมีความเชื่อที่ว่าเฮ้ยไม่ต้องมีรัฐไม่ต้องมีเขตแดนไม่ต้องมีศาสนาสังคมเราก็อยู่ได้ด้วยความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ว่าเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันแบบเรารู้ว่าเราไม่ควรขโมยของของผู้อื่นโดยที่ไม่ต้องมีกฎหมายมับอกว่ามันผิดเราไม่ต้อง มาบอกว่าคนนี้เป็นศาสนานี้ศาสนานี้แ้วเราอยู่โดยคาสอนอยู่โดยความเชื่อที่หลากหลายแล้วเราสามารถอยู่ด้วยกันได้ทีนี้พอมาปฏิบตัติมันก็เริ่มคิดฟุ้งซ่านไปจนจนมันก็ปฏิบัติไปสักสองสามอาทิตย์ครับมันก็เริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจหมายถึงว่าไม่ได้แบบเข้าใจเห็นความคิดของเรามันก็นั่งทบทวนตัวเองรู้สึกว่าความความทุกข์มันก็น้อยลง เราก็อยู่อยู่ได้ก็ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆครับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาตลอด24ปีตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็คือว่าเราไม่เคยรู้จักตัวเองเลยเราคือผมก็นึกนึกเล่นๆนะว่าเฮ้ยถ้าผมคือผมเชื่อเชื่อตามแนวปัจญาความคิดที่ว่า มนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนกับผ้าขาวที่พับไว้แล้วก็สังคมแต่งเติมสีสันเหล่านั้นเพราะว่าบางที่นะครับคือเด็กที่เกิดเกิดมากับสังคมที่มียาเสพติดมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปในทางยาเสพติดอย่างนั้นบางสังคมที่เกิดมากับความรุนแรงเขาต้องใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นคือผมมองมองคนต่างนะเพราะว่าผมมีโอกาสเมื่อ3ปีก่อนผมได้ไปบ้านกาญจนาอ่า เป็นป้ามนนะครับที่ชานนท์นครก็เป็นป้ารักกันนี่แหละก็ได้ไปเห็นเป็นเป็นเรือนจําที่แบบไม่มีรู้ว่าไม่มีอะไรเฮ้ยแปลกมากเลยแปลกมากเพราะว่าแกมีความคิดความเชื่อที่ว่าการที่เราใช้ความรุนแรงกับคนเนี่ยแหละใช้ความรุนแรงยิ่งจะทําให้เขายิ่งทําให้เขาเสียไปมากกว่านี้แต่แกกับใช้ความรักในการถั่งสอนเขาก็มีแต่คน ผมไปนั่งคุยกับเพื่อนๆในนั้นก็มีแต่คดีฆ่าคดีอะไรยิงนู่นนี่นั่ น, นคือสังคมเราณนะวันนี้มันมองคนจากภายนอกนครับว่าเฮ้ยเราฆ่าคนคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ ด, นนมดีแต่เราไม่เคยกลับมองไปนึกถึงสิ่งที่เขาอยู่ในสังคมนั้นขึ้นมามันหล่อหลอมเขาให้เป็นอย่างนั้นแล้วคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็เลยมองคนในผมก็เลยมีทัศนคติในการมองคนที่ที่แบบโลกสวยสักหน่อย จนได้มาเนี่ยอ่านหลวงพ่อเทียนอีกแกยังบอกเลยว่าโอบุญในที่นี้เนี่ยบุญเนี่ยคาว่าบุญเนี่ยความหมายของบุญคือการที่เรามีสติที่เรารู้บาปคือเราไม่มีสติเราไม่รู้โอหมันมันเมคเซนต์กับผมมากนะมันเป็นเหมือนกับเฮ้ยใช่ว่ะเพราะว่าช่วงที่ไปอยู่ในเรือนจำพิเศษหรือว่าไปอยู่ในบ้านกันจนาเนี่ย ที่เขาเข้าไปอยู่จุดนั้นน่มันเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่เขาตัดสินใจที่จะหยิบมีดแทงเสี้ยววินาทีที่เขาตัดสินใจฆ่าหรืออะไรอะไรเหล่านี้นั่นคือบาปนั่นคือจังหวะที่เขาโกรธไม่มีสติผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้นี่คือคําสอนแล้วผมก็ไปอ่านเจออันหนึ่งนะครับแกบอกว่าครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปกับคณะพระภิสุสง เข้าไปในป่าแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงหยิบดอกไม้หยิบใบไม้แห้งเนี่ยในกำมือขึ้นมาแล้วก็ถามกับพระพิสุว่าเนี่ยใบไม้ในกำมือกระถาคตเราเนี่ยกับใบไม้ในป่าเนี่ยอันไหนมันเยอะกว่ากันพระพิสุเหล่านั้นก็ตอบว่าใบไม้ในป่าเยอะกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่แหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคําสอนก็คือ เพียงแค่ใบไม้แค่กำมือเดียวหรือเป็นสิ่งที่หลวงปู่เทียนได้เอามาถ่ายทอดต่ อ, อพ่อคำเขียนมาถ่ายทอดต่อคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเยอะมากนะครับเยอะมากๆวิธีการปฏิบัติเพื่อไปสู่นิพพานเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ก็เยอะมากๆแต่เพียงแค่เราเข้าใจเพียงแค่หลักการเพียงแค่ดอกเพียงแค่ใบไม้แห้งกามือเดียวเนี่ยกับใบไม้ทั้งป่าเนี่ยเราก็สามารถ มีความสุขได้เราสุขเป็นก็เป็นสุขผมก็เริ่มปฏิบัติมากขึ้นมันก็เริ่มเห็นความคิดมากขึ้นมันก็ไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่อะไรก็เขารู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เป็นคําสอนสิ่งที่เป็นการปฏิบัติหรือว่าเป็นเพียงแค่ดอกไม้เป็นเพียงแค่ใบไม้กํามือเดียวเนี่ยโอ้โหนี่คือการที่เรารู้จักตัวเองคือมนุษย์เรานะครับก็เกิดมา ถ้าเราถ้าผมไปเกิดอยู่ที่จีนผมก็พูดภาษาจีนได้เนาะเกิดอยู่ที่อเมริกาก็พูดภาษาอังกฤษฝรัภาภา่งฝรั่งอะไรได้หมดแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์เราไม่มีคือการที่จะรู้จักกับตัวเองผมชอบมากเลยนะความคิดเหมือนหนูความรู้เหมือนแมวเนี่ยเรามีแมวทุกคนในตัวนะครับแต่ว่าเราไม่เคยได้เลี้ยงดูแมวเหล่านั้นเลยหนูอาจจะตัวใหญ่กว่าแมวได้ลากลากหนูลากแมวไปตลอดหรือว่า ผมก็เคยฝึกเหมือนกันนะครับเป็นแบบไทเก็ตคือคือรู้จักตัวเองแต่ว่ามันยากหน่อยถ้ายืนเรายืนปกติกับเรายืนแบบนี้การถ่วงน้ําหนักนู่นนี่นั่นการเพง่งจิตไปมันสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเออก็เข้าใจหลักการนิดหน่อยมันก็เหมือนคล้ายๆกับใบไม้ในป่าแหะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าการปฏิบัตินี่สีจังหวะหรือการรู้จักตัวเองนี่โหมันง่ายมากแล้วก็สามารถตัดแปลงพลิกแพลงได้ก็ เด็กนิ้วก็รู้จักก็ได้กระพิบตาทํานู่นทำนี่เรารู้จักก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันมันมันมันเหมือนกับธา ต, ตรงกันเข้าตรงกันเคยพูดโทอยู่เวลาเจอกับตํารวจเจอกับทหารนี่พูดโทรพูดโทมันเอาไม่อยู่ครับมันก็ซัดอย่างเดียวมไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยอบมรมกระบวนการ NVC นบีครับมันคือเป็นกระบวนการสื่อสารอย่างสันติเป็นการสื่อสารโดยเข้าใจคนที่เข้าใจเขา หลังจากคิวสามนี้หลังจากที่โดนจับมารอบๆก่อนผมอารมณ์ร้อนดุรแรงมากเลยจนมาจนมาเจอกระบวนการสื่อสารอย่างสันตินี่แหละสื่อสารอย่างเข้าใจเขาคือเฮ้ยเราเข้าใจเขาว่าเขาเขาโอ้เขาเป็นตำรวจนะเขาต้องมีลูกมีหลานที่ต้องเลี้ยงดูเขาต้องทำตามคำสั่งทำตามหน้าที่เขาไม่ได้อันนี้กับไม่ได้อะไรกับเราเลย ถ้าเราสื่อสารกับเขาดีเขาเขาก็จะได้ไม่มีกำแพงกัน้นเราก็จะได้สื่อสารความคิดหรือมุมมองของเราให้เขาได้รับฟังมากขึ้นมันมันจริงครับเคยลองใช้แล้วโอ้มันสุดยอดมากคยเขาผมเข้าใจพี่นะครับว่าพี่ต้องทำเพื่ อ, อเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อครอบครองของพี่ถ้าพี่ไม่ทำพี่ก็อยู่ไม่ได้พี่ก็โดนไล่ออกนี่มันเป็นระบบราชการนะครับระบบคาสั่งเฮ้ยแกก็คุยดีมากเลยแกก็ รับฟังเออพี่ก็เห็นใจน้องนะเออมันก็เป็นการคุยกันอย่างคือแต่ก่อนผมไม่ได้คุยกับตํารวจฮาดอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาเป็นศัตรูหมดอะไรอย่างงี้ก็ณณวันณวันนั้นก็ได้สื่อสารกับเขาได้อย่างสันติมากขึ้นก็คือทําให้เขาได้เปิดใจแล้วเราก็เปิดใจรับฟังเขาแต่มันก็ยังทุกอยู่จนได้ไปเจอกับอาจารย์ไปหาอาจารย์ไปสารแกก็บอกว่าจะทํางานเหมือนกับพหลมเออ ทำงานอยเหมือนพัลมที่ข้างหน้ามันเย็นแล้วข้างหลังมันร้อนก็เริ่มดูแล้วโอ้สิ่งที่เราทุกมาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้แค่ถึงฝันหรอกเพราะว่ามันยากมากนะครับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสังคมมันใหญ่มากเราเพียงแค่คนแค่ขีเล็บมือในสังคมเราจะส า, าสามารถทำอะไรได้เออแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วก็แค่ใช้คาว่าอะไรยอมรับแต่อย่ายอมแพ้ก็ทาให้รู้สึกว่าเออถ้าเราทาแล้วมีความสุขมันก็จะ ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆโด ย, โดยที่ไม่ทุกข์ไม่ผิดหวังไม่อะไรก็เราก็จะไม่ทุกข์ด้วยคือผมเชื่อว่านะครับผมมหาธรมะคานธีเคยกล่าวไว้ว่าทรัพยากรเนี่ยเพียงพอต่อมนุษย์ทุกคนบนโลกแต่ไม่เพียงพอกับคนโลคเพียงคนเดียวนะครับซึ่งณวันนี้สังคมเราเนี่ยคนโลคมันเริ่มเยอะมากขึ้ น, นครับคือคนที่ คนที่เขาเรียกว่าอะไรเอาของทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกําไรไปเป็นประโยชน์ของตัวเองทั้งหมดเพื่อความมั่งมีความร่ํารวยต่างๆคืออย่างที่บอกนะครับผมชอบดูหนังผมเคยดูหนังเรื่องอินทามเนาะผมว่ามันก็เปรียบกับสังคมได้ชัดเจนนี่นะเงินก็คือเวลานะครับคนที่รวยเนี่ยก็มีเวลาชีวิตเยอะนะครับหมายถึงว่า คุณมีเวลาหาความสุขมีเวลากินอาหารดีๆมีโอกาสที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปนูน่นไปนี่แต่ขณะเดียวกันคนที่จนคนที่หาเช้ากินค่านึกเหมือนในหนังเนี่ยคือเขาจะต้องทางานแล้วก็เอามือไปเข้าปุ๊บได้เวลาเท่านี้เท่านี้วันต่อวันเขาก็ไม่ได้มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่ได้มีเวลาที่จะกินอาหารที่ดีใช้โอกาสใช้ชีวิตที่ดี ชีวิตเขาก็จะอยู่ได้แป๊บเดียวอะไรอย่างนี้ผมผมเลยรู้สึกว่าคือสิ่งที่เราสิ่งที่หลวงพ่อทํานะครับวันนั้นเนี่ยที่สวนเห็นนะครับมันมีป้ายหนึ่งที่บอกว่าหลวงพ่อตั้งใจทําเพื่อเป็นคําสอนผมก็ไปอ่านดูแล้วก็คิดตามแกคิดตามคําสอนแล้วก็เห็นชาวบ้านมามันก็จริงนะครับคือ ทั้งที่บ้านเขาเนี่ยก็เป็นป่ามาก่อนอยู่แถวป่าอยู่แถวภูมันหมดแต่เขาก็ถางป่าเพื่อปลูกพืชเ ศ, ษศรษฐกิจตามนโยบายนูน่นนี่นั่นแต่เขาก็กลับมาหาเห็ดอยู่ที่วัดทั้งที่บ้านเขาก็เป็นป่า ค, คือผมคิดว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจมนุษย์คิดว่า เก่งแล้วก็ฉลาดสามารถควบคุมธรรมชาติได้สร้างเขื่อนสร้างนุ่นสร้างนี่นะครับทำให้ธรรมชาติมันผิดธรรมชาติไปป่าไม้กว่ามันจะเติบโตมันใช้เวลาเป็นสิบเป็น1 0อปีแต่ว่าเราแค่ตัดแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับธรรมชาติเลยแต่ว่าสิ่งที่มันจะส่งผลกระทบก็คืออีก10 20 30ปีข้างหน้าผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย hey, นะวันนี้ผมก็ต้องทา สิ่งเหล่านี้เพื่อลูกเพื่อหลานในอีกยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าไม่งั้นเขาจะมีป่าให้ให้เห็นไม่งั้นเขาจะมีอากาศที่ดีให้เห็นไม่งั้นเขาก็จะมีโอกาสชีวิตที่ดีให้เห็นหรือเปล่าในเมืองกรุงนี่มันวุ่นวายนะครับในสังคมหรือว่าในเมืองต่างๆสุดท้ายแล้วพอมันไปถึงสูงสุดนะครับหมายถึงว่า การพัฒนาความเจริญเนี่ยหรือความสบายเนี่ยมันทำให้มนุษย์อ่อนแอนะครับความสบายเหล่านี้มันทำให้คนอ่อนแอมากขึ้นมีรถร้อนก็เปิดแอร์ความอ่อนแอความสบายเหล่านี้มันอีกทางหนึ่งมันก็ทำให้ธรรมชาติอ่อนแอเหมือนกันก็ทำให้ชีวิตคนมันอ่อนแอเหมือนกันผมคิดว่าเรา วันนี้นะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับคนที่อยู่กับความคิดมานานๆทุกกับความคิดมีอยู่กับเป้าหมายของชีวิตอยู่กับแต่ก่อนผมผมอยู่เพราะว่าเชื่อว่าคิดโดยใช้คำที่ว่าฉันคิดฉันจึงมีตัวตนนะครับหมายถึงว่าสังคมนะวันนี้มันหลอกเรามันไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยเราอยูไ่ได้เพราะเรามีความคิดของเราเองในสิ่งที่เราเห็นนี่แหละความจริงนั่นแหละคือความคิด เพราะนั้นธรรมชาติก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่เราต้องปกป้องรักษาแล้วผมก็เห็นเห็นว่าสิ่งที่พ่อคําเขียนทํารักษาป่านี้ไว้หรือว่าได้สอนเมื่อวานอาจารย์วันก่อนที่อาจารย์ภัสารเทพบอกว่าชีวิตข้างหนึ่งแกก็อนุรักษ์ธรรมชาติอีกชีวิตด้านหนึ่งก็คือเพื่อสอนธรรมะผมคิดว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายหรือว่าพวกเราทั้งหลายก็อย่าลืม อีกข้างหนึ่งคือธรรมชาติมันก็คือธรรมะเหมือนกันถ้าธรรมชาติอยู่ไม่ได้มนุษย์เราก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ถ้ามนุษย์อยู่โดยไม่มีธรรมชาติธรรมชาติอยู่โดยไม่มีมนุษย์มันก็สังคมนี้ก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายวันนี้เนี่ยคือก็ต้องหมด3ทุ่มถึงทุ่มใช่หมครับค ผมเคยจะจับไม้ไฮパーกอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ค่อยถนัดแบบนี้คือมีแต่แบบพี่น้องเอ้ยมีแต่แบบอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็แบบก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกดีครับที่มานั่งเงียบๆส ง, งบๆอย่างนี้ก็หวังว่าสิ่งที่ผมได้พูดได้แชร์ไปถ้าเป็นประโยชน์ก็นําไปใช้นะครับถ้าอันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ถือว่าพูด ให้ฟังผ่านผ่านหูนะครับก็สุดท้ายแล้วก็จะการปฏิบัตินะครับคือคําสอนใดๆก็ไม่เท่ากับการที่เราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับบางคนอาจจะเข้าใจอย่างนี้อย่างผมเข้าใจอย่างแบบของผมเลยแต่ว่าโดยหลักการโดยใบไม้กำมือโดยของหลักสูตรของโดยสายของพ่อเทียนของพ่อคําเขียนอย่างนี้การปฏิบัตินี้ผมก็เข้าใจแล้วผมก็ไม่มีความทุกข์ในแบบของผมเข้าใจเห็นความคิดในแบบของผม แล้วก็แมวตอนนี้ผมก็กำลังเลี้ยงเริ่มเริ่มเริ่มอ้วนแล้วเริ่มตัวใหญ่แล้วก็ก็กำลังใกล้ขุนไปเรื่อยๆครับขุนขุนไปให้มันเก่งครับให้มันแบบล่าหนูก็ได้เก่งมากขึ้นนะครับก็พอดีครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้การปฏิบัติของทุกคนนะครับเป็นพร อ, อันประเสริฐให้นำไปสู่การหลุดพ้นแห่ง ขอให้การปฏิบัติของทุกคนนั่นแหละคือบุญที่ประเสริฐแล้วไม่ใช่การทำบุญทำทานหรืออะไรทั้งนั้นนะครับขอให้การปฏิบัติเหล่านี้นำให้ทุกคนไปสู่นิพพานเทอญ